ขอการ์ดพระอาจารย์ครับผมขอการ์ดนี้ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลุ่มพุทธโอดไอ้อพุทธกลุ่มพุทธโอดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการที่เอ่อทั้งกลุ่มได้จัดทำหนังสือขึ้นมาถวายแก่คณะสงวนนาป่าพงครับปกติประชาเอ่อกลุ่มพุทธโอดเนี่ยก็ได้เป็นกลุ่มที่เผยแพร่รัธรรมโดยการจัดทําหนังสือพุทธวจานะและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ถวายแก่คณะสงฆ์วัดนาป่าพงนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยทางกลุ่มก็จะมีโครงการจัดทําหนังสือตามรอยธรรมและเสียงอ่านหนังสือตามรอยทำเพื่อจะถวายแก่คณะสงฆ์วัดนาป่าพงในต่อไปก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้เผื่อมีท่านใดสนใจร่วมการจัดพิมพ์จัดสร้างจะได้ร่วมบูรณนด้วยกันในครั้งนี้นะครับและส่วนในครั้งนี้เนี่ยทางคณะกลุ่มพุทธโอทเนี่ยก็ได้จัดทําหนังสือคารวะชั้นเลิศ รวมทั้งสิ้น 15,500 เล่มและซีดีเสียงอ่านหนังสือคราวาชลเลอร์จำนวน 3,000 แผ่นโดยโดยจะถวายคณะสงฆ์วนาประพง์เนี่ยจำนวน 1,000 เล่มและซีดีและส่วนอีก 5,500 เล่มเนี่ยมีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยรับเอาหนังสือพุทธวจนะเนี่ยไปเผยแพ่ต่อไปในสถานที่ต่างๆนะครับส่วน ถวายแก่คณะสงฆ์วัดนาประพงหนึ่งหมื่เล่มแล้วก็อีก 5,000 เล่มถวายในที่ต่างๆนะครับ ในโอกาสนี้กเ็เนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพุทธศาสนาและถือเป็นวันสําคัญของโลกที่ใกล้จะมาถึงนี้คือวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูตนของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นวันที่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิธญาณตัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นวันเสด็จดับขันปริทินิพพานขององค์พระศาสดาซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่สิบห้าค่ำเดือน7หรือวันจันทร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2555นี้ พวกเราชาวพุทธบริษัทในนามกลุ่มคุณพ่ออนุชาและคุณแม่อรพินพานุทัศนาพรกลุ่มพุทธโอทและเพื่อนสาธรรมิกผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระพุทธองค์โดยร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือพุทธวจนะฉบับคารวะชันเลิศขึ้นเผยแพร่ซึ่งเป็นคําสอนที่เป็นคําจริงคําตรงคําแท้ของพระองค์ ให้เผยแพร่ไปในหมู่สาธุชนผู้มีทุรินในดวงตาน้อยแม้จะยังต้องเกี่ยวข้องกับเย่าเรือนได้สามารถปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ฐานะแห่งตนในการนี้พวกเราเชาวพุทธบริษัทขอถวายหนังสือพุทธวจนะฉบับคารวาะฉลเลิญจํานวน1นึ่งหมื่นเล่มและซีดีเซึ่งเป็นเสียงอ่านหนังสือคารวาะฉลเลิญจํานวน 3,000 แผ่นให้กับคณะสงฆ์วัดนาป่าพงเพื่อเผยแพ่แก่พุทธบริษัท ผู้สนใจศึกษาในคําสอนของพระศาสดาต่อไปซึ่งในการนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในรัตนห้ที่หาได้ยากในโลกและถือเป็นบุรุษสัตบุรุษผู้ยิ่งฝ่าสัตบุรุษด้วยการสืบทอดเจตนาตามพุทธประสงค์และเพื่อมีให้เป็นบุรุษคนสุดท้ายในการกละยะารระยะนวัตของพุทธองค์ด้วยเหตุอันเป็นกนนุศลนี้ขอเหตุปัจจัยนี้ขอให้พวกเราชาวพุทธบริษัททําที่สุดแห่งทุกตามเหตุปัจจัย ที่ได้ร่วมสร้างร่วมบุญกันนี้ขอญาติธรรมทุกท่านร่วมร่วมมีจิตอนุโมทนาบุญในการทำกุศลบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับในโอกาสต่อไปก็ขอเรียนเชิญคุณสุจิตเป็นตัวแทนในการมอบหนังสือแก่คณะสงฆ์วัดนาป่าพงครับครับขอรัฐนาพระอาจารย์ให้ธรรมแก่พุทธบริษัทครับการรมสการครับก็ <c oughs> อ, อันนุมโมทนากับกลุ่ม ค, คณะพุทธโอด์นะะก็ผู้ร่วมบุญทุกท่านที่ได้สนับสนุนการเผยแพร่คำของตถาคตนะซึ่ง <c oughs> <c oughs> บุคคลที่ประกาศคำตถาคตนะจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามจำพวกก็คือ 1. อรันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำของตถาคต 3. ผู้มีความกระตันยูกระตาเวทีรัศดาบอกว่าสามบุคคล น, นี้เป็นผู้ที่หาได้ยากในโลกและถ้าเราประพฤติปฏิบัติมรักแปดแล้วยังชักชวนให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติมรักมีวงแปดด้วยระตถาคตก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตตบุรุษ คนดียิ่งกว่าคนดีนะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ทางกลุ่มได้กล่าวไปว่าเป็น1ในรัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกนะก็คือ 1. อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคต 3. ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคตอย่งที่4ผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่รมในคำตถาคต แล้วก็หผู้มีความกตันดูกตาเวทีนี่คือรัตนห5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกนะก็ขอให้ <c oughs> อา น, นิสงส์ตรงนี้นะจงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเราเนี่ยเป็นผูนะ้ฉลาดในธรรมของพระตถาคตเป็นผู้รอบรู้ในธรรมของพระองค์เป็นผู้ที่บรรลุในธรรมของพระองค์นะขอให้ได้ดวงตายธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพาน ในหนาคตการนั้นใกล้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเชิญว่าไงวันนี้มีอเหร อ, อคือวันนี้ผมจะมาท่องพระสูตรเรื่องทรงบอกพระสูตรที่เก้าในแผ่นพับทรงบอกเหตุทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอนอ๋อได้ได้ว่าไปเลยสูตรที่เกนะ้าเนาะเชิญ <c oughs> <c oughs> หากมีพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระพัผู้มีพระพักเจ้าว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาหากมีพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสนน้มีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาติโมก ข้าพเจ้าได้สดับรับฟังมาเฉพาะหน้าสงเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระศ า, ศาสดาหากมีพิสูจในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวนอนันโ้นมีเถระอยู่จํานวนมากเป็นพระหูสูตรเรียนคำภีรทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติการข้าพเจ้าได้สดับมา ต่อหน้าเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระศาสดาหากมีพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวัตโน้นมีสงอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวนินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สลับรับมาเฉพาะหน้าสง์เหล่านั้นรูปนั้นว่า เทละรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระศาษษษษสดาเธอเธอพึงได้ยินบทเพลงชนะนั้นแล้วอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านพึงเรียนบทแพลงชนะเหล่านั้นให้ดีเสียก่อนแล้วสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเข้าในวินยัยหากบทแพลงชนะ นั้นสอบเข้าลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าลงในพิ่นัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้มิใช่พระดำรัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นแล้วแน่นอนอพิสูจน์นี้รับมาผิดเธ อ, อพึงทิ้งคํานั้นเสียหากคาบทหากบทเพลงชนะเหล่านั้นเทียบเข้าลงในสูตรก็ได้ สอบลงในวินัยก็ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้เป็นพระดำรดของพระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นแล้วแน่นอนพิสูจน์นี้รับมาด้วยดีเธอพึงจำหลักประหาประเทศนี้ไว้โอโ้โหเยี่ยมมากนะเก่งมากอันนี้อันนี้เราก็จะเห็นอยู่ในปัจจุบันว่าจะมีมีคำสอนในปัจจุบันที่เมื่อเอาไปเทียบเคียงใน สูตรเทียบเคียงในวินัยแล้วเนี่ยไม่ตรงเช่นว่าเขาสอนเรื่องโสรถยานยาณ16เอาไปตรวจดูในพุทธวัฒนะแล้วก็ไม่มีที่พระองค์จัดไว้เลยนะแต่อยู่ในคําที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งนั้นหรือที่พูดว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเอาไปตรวจดูแล้วก็ไม่มีในคําพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยไม่เคยจัดเลยสักครั้งเดียวก็เป็นคําแต่งใหม่อีกน ะ, ะถึงแม้จะอ้างว่าคณะสง์ อาวาดนั้นอาวาดนี้นะเทระองค์นั้นองค์นี้นะจำมาแสดงว่าจำมาผิดนะนะเพราะเรามาตรวจดูแล้วกับหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเกิดมาก่อนคณะสงฆ์นั้นๆทั้งหมดเลยไม่มีเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีในการตรวจสอบนะที่พระศาสดาเนี่ยได้ <c oughs> บัญญัติเอาไว้นะพระองค์รู้แล้วว่าในการยืดยาวนานเนี่ยศา ส, สนาจะเสื่อมด้วยอาการใดนะและจะบัญญัติวิธี เอาไว้ในการตรวจสอบนะท่านต้องมองเห็นแล้วว่าคนที่ผิดพลาดมีคนที่ตั้งใจจะรักษาไว้ดํารงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนมีก็ต้องวางหลักไว้ให้คนที่ต้องการรักษาคำพระตถาคตเอาไว้เหมือนกับเราปัจจุบันเราชอบรักษาคำสาวกเอาไว้แต่ไม่ได้นึกถึงว่าต้องรักษาคำพระผู้มีพระภาคเจ้านะนั้นถ้าใครต้องการรักษาคาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เอาพระสูตรนี้ไปได้ ในการเทียบเคียงและตรวจสอบและก็อย่างที่เมื่อเช้านะเรื่องการยานวัดก็คือเราจะไม่ไม่เป็นคนสุดท้ายในการยานวัดของพระองค์นะคำสอนของพระองค์วัดอันงดงามจะค่อยๆสูญหายไปเรื่อยๆจะมะีคำพูดใหม่นะที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเข้ามาทดแทนนะแต่มันดีไม่จริงเพราะว่าคนบัญญัตินั้นไม่ใช่สัมมาสัมพุท ธ, ธะนะไม่ได้เป็นสัพพัญญู ดังนั้นการบัญญัตินี่เป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งผู้บัญญัติได้นั้นมีแต่อรันตสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นที่จะบัญญัติธรรมและวินยัยนะเพราะธรรมะเป็นของละเอียดลึกซึ่งประณีตมากนะพระองค์จึงห้ามภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะิรบุคคลขั้นใดก็ตามนะห้ามบัญญัติเพิ่มหรือห้ามเพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติเอาไว้นะจะต้องเดินตามที่พระองค์บัญญัติ มีสู่ถึงไหเออคือมีคำถามมาค่ะ uh huh. ว่าสูบุรีมันผิดสินห้าด้วยหรือเปล่าสูบุรีเหรอ <c oughs> ไม่มันไม่ผิดโดยตรงอ่ะนะทีนี้มันมีข้อที่เขาเแปลกันไม่ค่อยจะตรงกันก็คือคำว่าว่ามัชชะนะว่า <c oughs> บางคน ก, ก็แปลว่าสิ่งเสพติดนะ แต่ถ้าเราไปดูในพจนานุกรมทั่วไปก็จะแปลว่าสุลาเมไลายอีกเหมือนกันนะส่วนคาว่า <c oughs> สุลากับเมลายเนี่ยก็จะเหมือนกันแต่ต่างกันที่ขั้นตอนการทาหมักต่างกันอะไรต่างกันเนี่ยก็เป็นเหตุให้ให้คนเนี่ยขาดสติน ะ, นะดังนั้นถ้าจะจับหลักการเดียวกันว่ามันเป็นเหตุให้ให้คนเนี่ยเพลิดเพลินเป็นเหตุให้ขาดสตินะเป็นเหตุให้อ่ คำยาเพื่อเจาะส่อเสียดนะสินอีกสามข้อที่ผู้เจ้าเอามาแทนถ้าไม่มีข้อสุลาเนี่ยอ่านะสินสามข้อนี้มันจเจริญงอกกามอันนั้นก็ถือว่าไม่ดีไม่ถูกต้องนะอหลายบรรทัดนั้นเนี่ยจำได้เก่งมากพัฒนาขึ้นเยอะแต่ก่อนจำได้นิดเดียวนะ มันก่อนไปที่โคราชก็มีมีเด็กผู้หญิงอายุเจ็ดขวบมาท่องพระสูตรให้ฟังนะส่วนน้ำวุญนี่บอกว่าเอ๊ะวันไหนนะอีกสามสี่วันเนี่ยจะครบวันเกิดบอกเท่าไหร่บอกเก้าขวบอันนี้ผ่านมาสองปีแล้วนะน้ำวุญนี่ท่องพระสูตรมาสองปีแล้ว เมื่อคืนได้ออบอกอณนนิสงของของคนที่ทรงจำพุทธวจนะได้อย่างคล่องปากขึ้นใจนะพอดีโยมที่เป็นหมอถามมากลับไปหรือยังไม่รู้ <laughs> สามก็เลยได้อ่านเข้าสูตรนั้นให้ฟังนะเราก็จะเห็นว่า เพียงการทรงจำคำตถาคตได้อย่างคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเนี่ยได้นิสงนะถึงขนาดว่าแม้จะขาดสติเวลาตายนะผู้เจ้าก็ยังประกันว่าเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและจะได้บรรลุธรรมในภพของเทวดาด้วยนะแม้ว่าสติเขาเนี่ยจะบังเกิดขึ้นช้าก็คือเขาจะเพลิดเพลินในภพของเทวดาสักระยะหนึ่งแต่พอไปได้ยินได้ฟังธรรมะ ปุ๊บเนี่ยเขาจะระลึกได้ดันทีว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยประพฤติประมา จ, จรรันอันเนี้ยคือธรรมะนะที่เขาเคยประพฤติปฏิบัติมาก่อนปุ๊บเนี่ยจะมีการพินาศไข้โควิแล้วเขาจะบรรลุธรรมนะพระเจ้าจึงบอกว่าสติเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วปันนี่เป็นอนิสงส์ที่เราจําคําตถาคตได้นะนั้นพุทธวจนะเป็นสิ่งที่สําคัญ นะขอให้เราอย่างน้อยทรงจำได้คล่องปากเลยนะขึ้นใจนึกขึ้นมาได้นึกได้ตลอดแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือเข้าใจเข้าใจในในสิ่งที่เราทรงจำไม่ใช่ทรงจำด้วยความไม่เข้าใจนะ <c oughs> นะเอาไปประชุมพวกอาสาสมัครที่จะ ไปประชุมเรื่องการทำหนังสือพุทธศาสนะสามสิบสามเล่มเชิญไปประชุมได้นะเนี่ยนะเล่มเนี่ยนะอาสาสมัครพวกเราก็ช่วยกันทำนะก็จะออกมาเป็นเล่ม น, นี้ก็ด้วยความเหนื่อยยากของทุกคนตัวยากเหมือนกันนะ หลักการไม่มีอะไรยากมากหรอกแต่อาศัยความละเอียดนะต้องอาศัยความละเอียดค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปอย่างนี้แต่หลักการเนี่ยผู้เจ้าวางไว้หมดแล้วเราเดินตามแค่นั้นตอนนี้ก็เลยกำลังกำลังทําคู่มือเพื่อให้เผื่อว่ามีอาสาสมัครคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็ให้อ่านคู่มือนี้นะในการทำนี่ก็ส่วนใหญ่คือต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นด้วยนะถ้าใช้คอมเป็นก็จะสะดวกขึ้น ในการตัดตกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยบรรทัดต่างๆนะจะได้เรียบร้อย <c oughs> นี่ก็จะเป็นเล่มที่สิเก้าเล่มที่หนาที่สุดนะมีหมวดธรรมมากที่สุดเราเจอหลักธรรมใหม่ๆในนี้อีกนะเยอะพอสมควรนะบางทีหลักธรรมพวกนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าเราไม่ได้เสพคบธรรมะพระพุทธเจ้านานๆเนี่ยอ่านไปก็เหมือนไม่มีความสําคัญอะไรจะเก็บประเด็นไม่ได้ แต่พอเราคุ้นเคยอยู่กับธรรมพระศ า, ศาสดามากแล้วเนี่ยเราจะเริ่มจับประเด็นได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็บางทีเห็นว่าพระสูตนี้ก็ผ่านตา ม, มาตั้งหลายทีไม่ไม่เห็นความสําคัญแต่พอเราคุ้นเคยมากๆปุ๊บเราจับประเด็นได้ละวอ๋อนี่เป็นการระบุความเป็นโสดาบันอีกนัยะหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะได้พระสู่โสดาบันมากขึ้นเราก็ได้แง่มุมต่างๆมากขึ้น ยงใหญ่ามาหรือในเรื่องศินข้อ3เนี่ยที่เรายังมีข้อกังขากันอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นของฝ่ายหญิงผู้เดียวหรือเปล่านะาหรือเป็นฝั่งผู้ชายด้วยนะตอนนี้เราก็จะไปเจอเรื่องของทิศิกที่ผู้เจ้าบอกหน้าที่ของภรรยากับหน้าที่ของอสามีซึ่งมีเหมือนกันคือไม่ประพฤตินอกใจ นั่นก็คือเราเริ่มเริ่มเห็นความละเอียดของผู้เจ้าอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ยังต้องหาพระสูตรที่มาสมทบเพิ่มเติมคือการที่ประพฤตินอกใจเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของหน้าที่นะที่ดีต่อกันหน้าที่ที่สมควรทำนะการไม่ประพฤตินอกใจนะการประพฤตินอกใจก็จะผิดส่วนการปิดศินข้อ3ามเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการที่ เป็นการกระทำของฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายหนึ่งที่ฝ่ายหนึ่งไม่ไม่สมยอมนะอย่างนี้แล้วก็เป็นการที่ไปละเมิดผู้ที่เขามีเจ้าของนะคือผู้หญิงที่มีเจ้าของหรือว่ามีพ่อรักษาพี่ชายพี่หญิงน้องหญิงน ะ, ะมีทํารักษานะมีบุคคลซึ่งรักษาเขาอยู่คุ้มกองก็อยู่อย่างนี้ก็จะเป็นมุมต่างกันนิดหนึ่งนะก็คือ ก็สงสัยว่าถ้าอย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยไปไปแย่งสามีคนอื่นก็คือไม่ผิดสินข้อ5ไม่ผิดสิน5้าข้อที่สนะนะก็ดูเหมือนจะใช่อยู่นะแต่ยังจะผิดหน้าที่ของภรรยาที่ดีนะในเรื่องของทิศหกนะจกนี้อันนี้ก็เดี๋ยวจะหาพรสูตรสนับสนุนเพิ่มเติมตรงนี้อีกนะค่อยๆเจอไปทีละนิดทีนิดเรื่อยๆนะ นั้นพระสูตรอะไรที่เคยอ่านเผลอเหมือนไม่มีความสําคัญเวลาเรามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเก็บประเด็นมาเรื่อยๆรนะแล้วก็ไปเจอคุณธรรมพระโสดาบันอีกอันหนึ่งนะก็จะสนับสนุนพระสูตรนั้นจะสนับสนุนในเรื่องของอผู้หญิงอย่างเดียวอีกนะนะตอนนี้เรายังไม่เปลี่ยนบทปัญชนะนะในคําว่ายาตาเนี่ยนะมันจะแปลอย่างได้ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชาย แต่ในเกือบๆทุกระสตูตอนนี้เนี่ยแปลเป็นผู้หญิงฝั่งเดียวซึ่งจะทำให้ผู้หญิงเนี้ยไม่ผิดเมื่อไปแย่งสามีคนอื่นนะในสิ่งห้าข้อที่สามนะแต่นี้ก็เลยยังไม่สรุปนะเป็นเพียงให้เป็นข้อสังเกตว่าเราสามารถที่จะหาเหตุผลสนับสนุนเนี่ยโดยพุทธวนะเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะ <c oughs> มีการสงสัยประเด็นใดบ้างไหมขอโอกาสพระอาจารย์ครับ เ, เกี่ยวกับการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ครับที่ว่ามีพระสูตรพระพุทธเจ้าเป็นเตือนไว้อะครับแต่นี้ไม่ค่อยเข้าใจในคําที่ท่านบอกไว้ขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับในเรื่องที่เปรียบเหมือนพ่อครัวใช่ไห อ, อ, อ, อไม่ใช่ครับท่านที่ว่าที่ท่านบอกว่าเธอจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่ หลังจากนี้ครับประโยคว่าแต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับกายเลยประโยคนี้ครับแล้วท่านก็จะพูดออให้ตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับเวทนาเลยตรงตรงนี้ครับที่ว่าแต่อย่าตรึกซึ่งวิตกเข้าไปประกอบอยู่กับกายเวทนาสิทธรรมเลยตรงนี้เหมือนกับอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่าสร้างภพขึ้นมา จริงๆแล้วตัวสติปัฏฐานสีโดยละเอียดเนี่ยอยู่นิ่งๆเลยนะคือรู้ลมหายใจเฉยๆอย่าหลุดไปคิดอะไรขณะที่ลมดับปุ๊บเนี่ยเราเห็นทันทีว่ากายดับซึ่งการเห็นกายดับเนี่ยไม่ต้องไปตรึก mm hmm. เช่นว่าไปวิตกว่าเออกายเนี่ยเน่าเปือ่อยปุปปองดับไปตายไปนนวิตกละใช่ไหมวิโตกเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องกายซึ่งมันเป็นการสร้างภพเป็นการคิดขึ้นมา mm hmm. ก็คือเรื่องอสุพานั่นเอง ดังนั้นพอพอสูตนี้ปุ๊บเนี่ยให้หยุดหยุดปรุงเรื่องอสุภะเนี่ยต้องหยุดนะเพราะเรากำลังปล่อยวางความคิดด้วยเราไม่ใช่ปล่อยวางรูปอย่างเดียวเราต้องปล่อยวางขันถึง5้าขันดังนั้นเวลาคิดเรื่องอสุภะเนี่ยคนเดินมรรคอสุภะต้องรู้ด้วยว่าขณะนั้นตัวเองกำลังปรุงแต่งนะจิตกำลังสร้างภพพอมาจเจริญสติปัฏฐาน4ต่อปั๊บเนี่ยผู้เจ้าก็จะอธิบาย อในสติปัฏฐานที่ละเอียดปราณีตขึ้นดังนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าสมาธิที่ไม่มีวิตตกวิจารณนั่ะเป็นสมาธิที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าดังนั้นสติปัฏฐานสี่ที่ไม่มีวิตกวิจารณก็จะเป็นสติปัฏฐานสีที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าว <c oughs> ไม่สร้างพบเ <c oughs> พราะผู้เจ้าบอกพบแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดเขาอ่ออานครับตรงนี้ก็หมือกับที่ท่านพร้อมสอนบ่อยๆว่าก็คือรู้ลมมันไปอย่างเดียวลยมลอย่างเดียวหลุดแปลอะไรก็ ไม่เป็นสนใจมันจะเป็การมาลุลมอย่างเงี้ยใช่ขอบคุณครับนะพอรู้ลมปุ๊บนี่จะเห็นตัวผู้รู้ทันทีเลยผู้รู้กับลมและถ้าต้องการเห็นกายดับก็คือเห็นผู้รู้ลมเนี่ยมันดับไปนะนั่นก็คือเห็นลมดับลมคือกายนั่นคือเห็นกายดับเหมือนกันนะและเป็นการเห็นกายดับที่โยงใ ย, ยกับจิตนั่นคือจะเห็นเหมือนที่ภาษาริบุตรบอกไม้สองกำพิงกันหรือผู้เจ้าบอกแสงกับฉาก เราจะเห็นการเกี่ยวเนื่องของรูปว่ามีเนื่องด้วยวิญญาณวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยรูปเห็นนามเกี่ยวเนื่องด้วยวิญญาณวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยนามและเห็นว่านามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปจะเข้าใจเหตุเกิดของกันแลกกันจะเข้าใจระบบการทํางานของวิญญาณกับนามรูปโดยละเอียดดังนั้นจึงต้องหยุดปรุงแต่งแล้วให้เห็นผู้รู้เฉยๆว่าผู้รู้เนี่ยมันไปทํางานอย่างไรบ้างมันดับจากลมแล้วมันไปรู้อะไร ไปรู้ความคิดไปรู้ความจาไปรู้สุขทุกข์กลับมารู้ลมนะแต่ถ้าโยมยังคิดอยู่โยมจะหลุดไปคิดโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นผู้รู้ดับไปแล้วนะอ่าพอเราหยุดใช้การคิดปุ๊บเราจะรู้ว่าความคิดเองก็เกิดดับนั่นคือเรากำลังก้าวเข้าไปสู่การปล่อยความคิดอีกทีหนึ่งนะครัอาจารย์คะเ อ, อ่อในประเทศไทยอะค่ะ พระภิกษุสามารถบวชภิกษุนี้ได้ไหมคะถ้าได้จะต้องเป็นพระภิกษุระดับไหนคะไม่มีข้อบัญญัติห้ามนะ <c oughs> บวชได้ภิกษุระดับใดก็ได้นะภิกษุที่บวชได้ปกติก็คือตั้งแต่10บปรนศาขึ้นไปนะภิกษุที่จะมีลูกศิษย์ได้เนี่ยผู้เจ้าให้ตั้งแต่10บปรนศาขึ้นนะปกติ การพ้นนิสยัยปกติเนี่ยพิกษุบวชเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่อนุ ญ, ญาตให้อยู่ผู้เดียวจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์นะจนถึง10ปีถึงจะปล่อยออกไปอยู่ผู้เดียวได้แต่ถ้าพิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถดูยังไงเช่นท่องปฏิโมกได้รู้ว่าบัตรหนากบัตเบาผู้เจ้าจะบัญญัติคุณสมบัติไว้พิกษุแบบนี้เนี่ยอนุ ญ, ญาตให้เหลือ5ปีได้นะดังนั้นส่วนใหญ่ตอนเนี้ยอาศัย5ปีเป็นเกณฑ์ พอหพันษาปุ๊บก็พ้นนิสัยนะอิสระสามารถที่จะไม่ถือนิสัยครูบาอาจารย์ได้อยู่ผู้เดียวได้แต่ถ้าจะมีลูกศิษย์ได้เนี่ยควรจะ10พันษาขึ้นนะส่วนภิกษุที่จะ <c oughs> ไปอบรมภิกษุณีเนี่ยนะก็ควรจะ20พันษาขึ้นนะดังนั้นถ้าจะให้อ่ ถูกหลักหน่อยก็ควรจะภิกษุที่20่สรรษาขึ้นไปนะอ่าเราเป็นที่ยอมรับไหมครับในประเทศไทยว่าถ้ามีไม่ได้เกี่ยวกับยอมรับไม่ยอมรับหมายถึงว่าจะไปะจำพรรษาที่ไหนก็ผู้เจ้าบัญญัติได้ก็คือได้ใครบอกไม่ได้คนนั้นต้องเปลี่ยนคนนั้นจะไปเปลี่ยนบัญญัติศ า, ศาสดาได้อย่างไรเราจึงบอกไม่ได้เกี่ยวกับการยอมรับไม่ยอมรับคนยอมรับรู้บัญญัติศาสดาหรือเปล่าไปตั้งกฎเกณฑ์เองหรือเปล่า ใช่นั้นผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติแล้วเนี่ยเป็นอาการลิโกจริงอยู่ว่าที่ผู้เจ้าบอกว่า <c oughs> การมีภิกษุณีจะทำให้ศาสนาอายุสั้นไปครึ่งหนึ่งแต่ผู้เจ้าเนี่ยได้ป้องกันไปแล้วก็คือบัญญัติขลุธรรมแปดประการขึ้นมาเพื่อป้องกันความเสื่อมตรงนี้ที่บอกกับพระนลนว่าเปรียบเหมือนทำนบน้ำเนี่ยมันพังลง และบุรุษได้สร้างทานกใหม่ขึ้นมาเพื่อกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลออกจากทานกไปตัวทานกใหม่เนี่ยเปรียบเหมือนขรุธรรม8ประการที่ผู้เจ้าสร้างเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศาสนาเนี่ยมันเสื่อมนะดังนั้นเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้หมดแล้วว่าอะไรจะต้องมีอะไรจะต้องไม่มีนะถ้าจะต้องมีจะต้องมีภายใต้เงื่อนไขไม่ใช่อยู่ๆก็มีภิกษุณีขึ้นมาโดยไม่มีเงื่อนไขอะไร นะมันก็จะทำให้ศาสนาเนี่ยสูญไปเร็วนะดังนั้นผู้เจ้าเนี่ยสร้างเงื่อนไขไปแล้วถ้าพิกษุนีเดินตามเงื่อนไขที่ผู้เจ้าบัญญัติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเงื่อนไขเช่นอะไรเช่นว่ า, า <c oughs> พิกษุนีเนี่ยต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายบวชในพิกษุนีสงฆ์ก่อนแล้วถึงจะมา บ, มาบวชในพิกษุสงฆ์นะ แล้วภิกษุณีที่บวชแล้วแม้ร้อยพรรษาก็จะต้องทําทอัญเชลีกรรมนะพิว่าทําสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่บวชแม้ในวันนั้นนะก็คือภิกษุณีเป็นอีกชั้นหนึ่งเลยนะถึงภิกษุจะเพิ่งบวชมาก็ตามภิกษุณีจะบวชแม่ร้อยปีจะเป็นพระหลานพระอริบุคคลอะไรก็ตามจะต้องกราบไหว้ภิกษุที่บวชแม้ในวันนั้นนะ คือจัดระบบการเคารพกันในกลุ่มนะนักบวชในกลุ่มของนักบวชเนี่ยจะจัดแค่ภิกษุกับภิกษุณีต่ำกว่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าอนุปสัมบันคือไม่ใช่นักบวชสัมมาเนสั ม, มนเนลีสิกขมานานะคือผู้ที่สิกขมานาคือผู้ที่จะเตรียมเป็นภิกษุณียังจัดว่าไม่ใช่นักบวชทั้งหมดนะถึงแม้เราจะเห็นว่า ผมชีวรก็ตามผู้เจ้ายัางจัดเป็นอนุปสัมบันผู้ที่ไม่ใช่นักบวชม่อนุญาตให้เฝ้ า, เ, าเข้าฟังปาติโมกนะและภิกษุเนี่ยห้ามนอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน2อถึงสคืนเช่นภิกษุกับสัมมณ เ, เนี่ยนอนร่วมกันไม่ได้เกิน3คืนนอนร่วมกันได้อย่างมากไม่เกิน3คืนในคืนที่3ต้องแยกจากกันก่อนนะนี่ก็จะเป็นบัญญัติที่ผู้เจ้าวางเอาไว้ถ้าภิกษุณีกระทําความผิด จะต้องเปิดเผยความผิดในสงฆ์สองฝ่ายคือเปิดเผยในภิกษุณีสงฆ์และเปิดเผยในภิกษุสงฆ์และภ <c oughs> ิกษุณีเนี่ยห้ามว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนภิกษุทุกกรณีไม่มีสิทธิ์จะตักเตือนจะแนะนำจะมาบอกสอนไม่ได้ไม่ให้น ะ, ะถึงจะฉลาดกว่าถึงจะไร้กว่าก็ไม่ได้นะอ่างีต้องให้ภิกษุอบรมกันเอง นี่ก็เป็นบัญญัติที่ทำได้ยากแต่นั่นคือผู้เจ้าก็ถือว่าเป็นการสกลินตัวภิกษุณีว่าจะต้องตั้งใจจริงๆนะบทบัญญัติต่างๆเนี่ยทตามเหตุปัจจัยนะเหมือนกับว่าก่อนเป็นภิกษุณีต้องเป็นสนัมมาเนรีก่อนแล้วต้องเป็นสิกขานาอีก2ปีแล้วถึงจะมาเป็นภิกษุณี ภายในสองปีที่เป็นสิกมานาเนี่ยจะต้องรักษาศิน6ครบถ้วนผิดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวถ้าผิดปุ๊บเริ่มต้นใหม่ยากกว่าสามัมเนรีตรงนี้สมัมเนรีรักษาศิน10แต่ผิดแล้วไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แต่สิกมานาเนี่ยรักษาศินแค่แต่ถ้าผิดแล้วต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามีภิกษุณีที่มาบวชเข้ามาแล้วเนี่ยตั้งครันระหว่างที่บวชเป็นภิกษุณี ก็เลยต้องสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ตรงนี้เอาไว้นะว่าจะต้องประพฤติปรมจันเนี่ยให้ครบถ้วนตลอดสองปีนะแล้วถึงจะบวชเป็นภิกษุณีได้เพราะนั้นพอผิดแล้วจึงต้องเริ่มต้นใหม่นะพระอาจารย์คะแล้วอย่างอย่างสมมีคนดูแลใช่ไหมคะมีคณะสงฆ์แล้วอย่างภิกษุณีอะคะใครเป็นคนก็คณะสงฆ์ ข, ของภิกษุณีดูแลกันเอง ทำไมพี่ซุนีบางรูปต้องไปบวชบวชมาจากลังกาทําไมไม่ได้บวชในประเทศไทยล่ะครับก็ไม่รู้เขาเหมือนกันก็เาก็บวชกันในไทยก็ได้นี่แต่ไม่มีพระบวชให้มั้งนะคือคือเหมือนกับว่าตอนนี้พุทธศาสนาเหมือนเป็น เหมือนเป็นของแต่ละประเทศนะ่ะเหมือนเป็นของแต่ละคณะแต่ละประเทศแต่ละคณะก็ก็สร้างบัญญัติของตัวเองขึ้นมานะไม่ไม่ได้ไปดูว่าผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติอะไรนะมันก็เลยเนี่ยเกิดความรําเลื่อมกันอย่างเนี้ยให้นี่บอกได้นี่บอกไม่ได้นะก็เลยต้องเอาไปเข้าหลักมหาประเทศสเหมือนอย่างที่เยาวชนเมื่อสักครู่นี้ท่องขึ้นมานะก็คือ เอาไปตรวจดูซิว่าผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติไว้ไหมน ะ, ะบัญญัติไวอย่างไรแค่นั้นเองใครที่บัญญัติเพิ่มหรือปราเพิกถอนเนี่ยบัญญัตินั้นถือว่าใช้ไม่ได้นะระอาจารย์ครับขออนุญาตอ่า กลับมาเรื่องสีลครับอยู่ไหนเนาะอาเชนครับในเรื่องของสีล่าก่อนครับหลายคนจะเคยได้ยินหลายคนจะตีความเข้าข้างตัวเองครับว่าในข้อของสุราเนี่ยคื อ, อสุราเมลัยที่ทำให้เกิดความหมึนเมาครับอาจารย์แต่ว่าในปัจจุบันมีคนตีความบอกว่ า, าเครื่องดื่มบางประเภทที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ย เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวายดื่มแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวนะครับอาจารย์หรือการดื่มสุราเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อการทําให้เกิดการมึนเมาครับแต่เป็นประเภทของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าถือว่าสุราเป็นเครื่องดื่มครับไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งมึนเมาครับอย่างเงี้ยควรจะบอกผู้ที่ตีความอย่างนี้ว่ายังไงดีครับอาจารย์ในเรื่องสุราเนี่ย <c oughs> บัญญัติยากนิดหนึ่งเพราะว่ามุมของสุลานะย่อมดูว่าในมรคแปดเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้ไม่ได้บัญญัติการห้ามดื่มสุลาในมรคมีองค์8ดดูสัมมากัมมันตะจะมีสินห้าสามข้อแรกสัมมาวาจาก็มีสินข้อที่สี่หนึ่งข้อและเพิ่มคำหยาเพื่อเจรสอเศษอีกสามข้อนะข้อห้าเนี่ยหายไปนะแต่ในสัมมาชีวะเนี่ย กลับไปเป็นว่าห้ามค้าสุราใช่ั้ยข้อดื่มสุราเนี่ยไม่มีเรามาพิณาแล้วเนี่ยนะในในกรอบที่พู้เจ้าบัญญัตินะกรอบวนไปวนมานะเราก็จะเห็นว่าตัวดื่มสุราเนี่ยคือมันไม่ไม่ขัดขวางต่อการบรรลุธรรมแต่ถ้าทำมากทำเป็นปกติจะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดชาญเปรตวิสัย ดังนั้นวิธีบัญญัติเนี่ยจึงบัญญัติยากนะตัวสุลาเนี่ยนะเพราะมันจะไปมีวิบากเหมือนกับสินสีข้อแรกนะซึ่งถ้าทํามากทําบ่อยทําเป็นปกติจะเ ป, เป็นเพื่อนรกแต่ตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ขวางการบรรลุธรรมจึงไม่มีบัญญัติในมรรคแดเห็นนะพอมรรคแปดปุ๊บผู้เจ้าถอนเรื่องสุลาออกไปนะซึ่งจะเหมือนกับหลักหลักของความเชื่อในกาลามสูดนะว่าเอ่อ ความเชื่อใดที่สมควรทำตามที่พระเจ้าบอกห้ามเชื่อหมดเลยทุกอย่างทำตามตามกันมาฟังตามตามกันมาจีปาถะนะและคนก็จะสงสัยว่าล้วละจะทำตามหลักอะไรก็คืออะไรที่กุศลเจริญอกุศลเสื่อมและอกุศลวัดจากอะไรปรากฏว่าวัดจากศีลสีข้อไม่มีข้อสุไลเหมือนกันนะก็คือการฆ่าต้องไม่เกิดขึ้นการขโมยการประพฤติผิดในการม การไม่โกหกต้องไม่เกิดขึ้นเบรกไว้แค่สข้อนะน้ำหนักของสุลาเริ่มเบาลงแล้วนะเริ่มเบาลงในสองหลักนี้ที่ไปดูนะ <c oughs> ก็เลยเลยพอจะประเมินว่าอ่ารับไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันในยะหนึ่งจะมีสินห้าซึ่งมีสุลาด้วยบวกกับโสตาปฏยังค่า4ี เริ่มใสในพระรัตนาตา ย, ยัางไม่หวั่นไหวมีสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกสิน53ข้อแรกนะแล้วสัมมาวาจาสี่ข้อนะแล้วก็บวกโสตาปยังค์สี่ไม่มีสุลานะแต่มีธรรมที่ทดแทนขึ้นคือสัมมาวาจาสข้ออัดเข้ามาเต็มที่เลยเรื่องวาจาซึ่งถ้าดื่มสุลาแล้วไม่พูด คำหยาบเพรเจอสอดเสียดซึ่งยากมากคนดื่มสุราแล้วก็จะเริ่มเพรเจอเริ่มคำหยาบละน ะ, ะเริ่มพูดยุยงละอย่างนี้ดังนั้นตัวสุราเนี่ยก็ดูแล้วมันมีความละเอียดของมันน ะ, ะก็เลยเลยถ้ามันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบพอจะได้หรอกนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับขาดนะขาดคุณสมบัติการบรรลุธรรมอะไรอย่างนี้ แต่ต้องมีอันอื่นมาแทนคุณสมบัติอื่นมาแทนนี้แต่คนแต่ในอดีตคนที่บรรลุธรรมเนี่ยก็คือจะต้องมีสติอยู่เสมอใช่ไหมครับอาจารย์ครับถึงแม้ว่าเมื่อสักห้านาทีแล้วจะดื่มสุราแต่ว่าพอมาฟังธรรม น, ะนาทีที่6เนี่ยแต่ว่าได้ไ ด, ได้มีสติในการฟังธรรมจริงๆก็บรรลุธรรมได้ได้ใช่ใช่ใช่อาจารย์ครับแล้วก็อย่างศีลแนะครับ ถ้าเกิดว่าเราสมมติอยู่ที่บ้านเงครับเคยนอนที่นอนปกติครับจำเป็นที่จะต้องอลงมานอนพื้นเลยหรือเปล่าครับ ถ, ออถ้าเกิดวันไหนจะถือศีลแปดเนี่ยที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ก็อันนี้ไม่ของคาะวะาไม่มีระบุเอาไว้น ะ, ะถ้าของพระจะมีระบุว่าเตียงต่างไม่เกินแปดนิ้วสุคตอย่างนี้นะก็ ของพระจะมีเข้มงวดขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้าของกะลาว่านเนี่ยไ ม, ไม่ไม่มีจำกัดเอาความรู้สึกเองว่ามันที่นั่งนอนมันสูงใหญ่เกินพอดีหรือเปล่านะแล้ว <c oughs> ในข้อสิน8เนี่ยนะหรือจริ ง, รงๆเรียก vo, อุโบสด8ปประการยังต้องชันมือเดียวนะที่ทาน2มือ รู้สึกจะไม่ตรงเพราะไปดูในบาลีเนี่ยพระเพิ่งเจอกันเมื่อปีที่แล้วนะว่ามีคําว่าเอกาพติโกก็คือมีพัดผลเดียวนะงดฉันในราตรีแล้วก็วิการด้วยวิการในกลางวันและราตรีนะนั่นก็คือหลังฉันครั้งแรกเสร็จแล้วนะลุกแล้วเนี่ยฉันดีกไม่ได้นะซึ่งจะเหมือนกับพระซึ่งต้องฉันมื้อเดียวโดยศีล เวชอาหารที่เป็นเดน่นฉันได้แต่จะมีการลิกอีก3อย่างที่ฉันได้คือยามะการลิกน้ำปะนะที่คั้นจากผลไม้สตาการลิกก็คือเนอยใสยในคนน้ํามันน้ำาอ้อยแล้วก็ยาวชีวิกคือส่วนของต้นไม้ทั้งหมดนะผละไม้ลากไม้เปลือกไม้กิ่งไม้ใบไม้ดอกไม้ได้นะอันนี้ที่ไม่ไม่ได้จัดเป็นโภชนะที่กลรักษาอบสถ8ปประการเนี่ย ทานได้นอกการนะซึ่งเข้าไปดูเปรียบเทียบกับสินสมนเณรนะสินสมเณรเนี่ยจะไม่มีการงดฉันในลาตรีไม่ได้บอกเอาไว้นะคําคํานี้ในบาลีถูกดึงหายไปนะนั่นคือสมเณรเนีนะ่ยไม่ได้ถูกอนุญาตให้ฉันในลาตรีได้แต่ถ้าฉันเนี่ยไม่มีปรับความผิดเหมือนกับว่าเป็นเด็กนะในคำวุฒกา ร, ก, ารก็ร้องไห้หิวหิวข้าว ดังนั้นถ้าเขาจําเป็นต้องทานข้าวในเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ถูกปรับความผิดแต่ไม่ได้อนุญาตให้ฉันถ้าทนได้ก็คือทนไปฉันทีเดียวถ้าทนไม่ได้ก็ไม่มีความผิดแต่ในกลางวันเนี่ยไม่ให้ฉั น, นสินสมณเนรจึงมีงดฉันในเวลาวิการไม่มีพูดในลาตรีส่วนศินสินแปเนี่ยจะพูดทั้งสองอันเลยงดฉันในลาตรีและวิการในกลางวันออื แล้วก็ย้ำว่าเอกภบพติโกคือมีพัดผลเดียวนะดังนั้นคนรักษาสินแเริ่มยากขึ้นนะก็เลยกลับมาสู่สินห้านี่แหละเพราะเป็นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันแล้วน่าเพียงพอแล้วถ้าเป็นโสดาบันก็คือประกันเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานแล้วนะนะ นะสัญญาในขันห้าล่ะก็คือความจำได้และหมายรู้นะความจำได้ด้วยความจำในอดีตเนี่ยนะแล้วก็การหมายรูนะ้การหมายรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้อย่างเราตั้งสมาธิไปเนี่ยเราจะหมายรู้ได้ว่าความละเอียดขั้นเนี้ยคือสภาวะแบบนี้ สมาธิทั้ง7ระดับเนี่ย7ระดับแรกเนี่ยจะเป็นสัญญาทั้ ง, งหมดเลยนะสมาธิที่อาศัยสัญญาเรียกว่าสัญญาสมาบัตินะแล้วก็สมาธิที่กั้มกึ่งมีสัญญากับไม่มีสัญญากับสุดท้ายคือสมาธิที่ดับสัญญาไดนะ้อันนี้สัญญาจะมีมี2นัยยะนะโดยปกติเราก็จะจะพูดนัยยะ ทั่วๆไปคือความจำได้ในอดีตความคิดไปในอดีตเอ่อ เรื่องของบัญญัติศั์ในคาพูดเนี่ยมันเป็นสัญญาแต่ตัวความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันเป็นตัวตัวความรู้สึกนะอ่าเป็น ต, ตัวความรู้สึกนะ่ะที่ผู้รู้เนี่ยเข้าไปหมายรู้ได้นะเป็นปวดตะพระเป็นสัมผัสทางกายนะอ่าซึ่งสัมผัสทางกายแบบนี้เราบัญญัติคาพูดอย่างนี้นะอ่านะถ้าอย่างอา่า โยนให้ฝรั่งฝรั่งก็บอกฮอตในใจก็พูดอย่างนั้นขึ้นมานะอ่าท่นี้ผู้เจ้าบอกว่าผลของสัญญาคือคาพูดที่พูดออกมานะดังนั้นตัวคำพูดที่อยู่ในใจเนี่ยมันเป็นผลของสัญญานะนีะ่ท่านจะแยกแยะไว้ตรงนี้อีกดังนั้นก็คิดง่ายๆว่าถ้าเรานึกคิดไปเรื่องอดีตเนี่ยมันคือสัญญาขันครับปรุงไปในอนาคตก็คือสังการกัน ตัวความคิดทั้งหมดเนี่ยเกิดมาแล้วก็พยายามวางไปวางไปเรื่อย ตัวอเนชาเนี่ยก็คือ <c oughs> ตัวตั้งแต่อากาศสาขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอเนชานะที่พูะเจ้าให้กรอบเอาไว้นะซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้ถูกระบุอยู่ในมรค8นะแต่จะถูกบัญญัติไว้นอกมรค8อยู่นในมรค8จะบัญญัติแค่4นะคือปฐมฌานถึงจตุฌา น, นคือแค่นี้พอแล้วไม่ต้องขยับขึ้นไปสูงขึ้น แต่สูงขึ้นแล้วใช่ในการหลุดพ้นได้ไหมก็ได้นระผู้เจ้าก็บอกวิธีเอาไว้แต่คิดว่าพระองค์เนี่ยมองแล้วว่ามันยากเกินกว่าคนทั่วไปจะทำนะก็บัญญัติไว้แค่สี่อย่างนะสมาสมาธิในมรรคแปดคือการเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจตุฌานพอละแค่นี้ ก็ก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ลายเดียวนะก็คงเป็นเพราะาความเป็นสัพพญยุของพระองค์เองนะที่เห็นตรงนี้แล้วก็ต้องบัญญัติออกมาอย่างไม่มีข้อผิดพลาดนะซึ่งผร้เจ้าจะที่บอกว่าพระองค์เนี่ยจะบัญญัติทำเนี่ยจะเปรียบเหมือนราชสีทะรุปเยือ่อครั้งเดียวจะต้องไม่พลาด ดังนั้นแต่ละคำพูดที่ผู้เจ้าพูดออกมาเนี่ยจะต้องไม่ผิดเลยและจะต้องสอดรับกันด้วยจะต้องไม่ให้บทธรรมยมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เมื่อรู้สึกเห็นว่าเอ๊อันนี้มันไม่สอดคล้องมันไม่สอดรับเราจะต้องไปหาคำผู้เจ้าที่มาสนับสนุนคาของพระองค์เองซึ่งเราจะเห็นึความสอดรับกันทั้งหมดเมื่อสืกค้นไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยจะเจอ <c oughs> ขออนุญาตครับใน ว, วัดความก้าวหน้าของการฝึกจิตทำสมาธิพระอาจารย์ เคยบอกไว้ว่าเรื่องของการทิ้งอารมณ์ถ้าเราทิ้งอารมณ์ได้ไวก็จะเป็นความก้าวหน้าของสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนความนิ่งนี่ก็เป็นอาการของนเป็นความก้าวหน้าของการภรณาของการพราวาใช่ครับทีนี้เมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์อยีกอันหนึ่งคือสติและตัวเองก็เห็นเองว่าคือเวลาที่เราจิตมันเผลอไปหลุดไปกับความเผลอแล้วมัน ก็มีสติกลับมาได้เองมันก็รู้เองถ้ามีสติอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเร็วขึ้นเร็วขึ้นเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใเพราะพระพุทธเจ้าใช้ตัวนี้เป็นตัววัดหลักนะว่าการะระลึกแรกเนี่ยกลับมาได้เร็วกขนาดไหนแล้วมันก็เป็นอาการของจิตเองโดยที่เราก็ไม่ได้ไปสั่งอะไรมันแต่ว่าเราฝึก ทำเหตุผล uh huh. ใจให้มันหลลึกได้อยู่เรื่อยๆใช่เมื่อฝึกไปเนี่ยความชนานาญจะเกิดขึ้นมันก็จะเริ่มเป็นความคุ้นเคยเป็นอนุสัยความเคยชินในการกลับเข้ามาสู่เสาเกินเสาหลักถึงแม้เราจะหลุดไปบ่อยก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีสติกลับมาได้ mm. ก็ถือว่าใ ช, ใช่ได้แล้วเพราะว่าขณะที่หลุดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราหลุดแต่เพราะวิญ ญ, ญาณมันดับไง mm. ดังนั้นเมื่อวิ ญ, ญญาณดับปุ๊บเรารู้ตัวเนี่ยแสดงว่าเรา เรามีมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามันวิญญาณดับไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราเผลอไ ป, ป อ, อาจแสดงว่าเราขาดละนะดังนั้นถึงจะหลุดไปบ่อยก็ตามนะแต่เรากลับมาได้เร็วก็ชื่อว่าเรามีความเข้มแข็งของสติจังหวะที่มีสติแสดงว่าวิญญาณดวงหนึ่งดับ<ช>แล้วก็ไปเกาะ อ, อีกดวงหนึ่งใช่ มีการเปลี่ยนของวิญญาณแล้วถ้ามีสติอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนึกถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่รู้ทุกอาการที่จิตมันเปลี่ยนสถานะไปใช่ใชอขอบพระคุณครับขณะที่ จิตหรือวิญญาณขันเนี่ยเปลี่ยนเช่นเคยรู้ลมหายใจแล้วก็หลุดไปรู้ความคิดเนี่ยกระบวนการทํางานเนี่ยก็คือผู้เจ้าบอกจะมีการตายและเกิดคือวิญญาณดวงที่รู้ลมหายใจจะต้องตายก่อนคือดับไป <c oughs> แล้ววิญญาณดวงใหม่เนี่ยจะเกิดไปเกาะตัวความคิดนะอันเนี้ยนี่กระบวนการตรงนี้จะเกิดขึ้น ดังนั้นขณะที่มีการมาไปเนี่ยผู้เจ้าจะบอกจะมีตายและมีเกิดทา น, น, นี้วิญญาณเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตเป็นาธาตุรู้เฉยๆาธาตุรู้นี้ดับาธาตุรู้ใหม่เกิดแต่ใครเป็นคนเข้าไปหลงยึดาธาตุรู้ใหม่ก็คือสัตตานังนสัตตานังเป็นคนเข้าไปหลงยึดวิญญาณแต่ละดวงวิญญาณดวงเนี้ยก็ถูกสัตตานังหลงยึด พอวิญญาณดวงนี้ดับสัตตานังไม่มีที่เกาะวิญญาณดวงใหม่เกิดสัตตานังก็เข้ายึดวิญญาณดวงใหม่ต่อไปและวิญญาณดวงนี้ก็เข้าไปเกาะรูปนามต่ออย่างนี้นี่กระบวนการตรงนี้เกิดเร็วมากนะวิญญาณเป็นาธาตรู้ไม่ใช่ชีวิตนะดังนั้นคนที่พูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นโมฆะบุรุษสาติภิกษุชื่อสาติพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไปในภพนั้นภพนี้จึงถูกเรียกว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษ เธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยเท่าคำที่ตนเองถือว่าผิดนะย่อมประสบสิ่งมิชิบุญเป็นนั้นมากข้อนั้นจะเป็นเปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานเพราะว่าในความจริงเนี่ยวิญญาณเป็นปฏิจจสุปันธธรรมเกิดดับเกิดดับตลอดนะแต่คนที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยคือสัตว์สัตตะสัตสตาหรือสัตตานังนะเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ คำว่า ส, สัตว์หมายถึงอะไรผู้เจ้าบอกว่าความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าสัตว์ดังนั้นมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาหลงยึดขันธ์หหลงยึดวิญญาณและเกิดตายไปกับวิญญาณแต่สิ่งนี้ไม่ใช่วิญญาณแต่มันเป็นสิ่งที่มาหลงยึดวิญญาณสิ่งนี้เรียกว่าสัตตานัง ดังนั้นสัตตานาังจึงเล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ส, สัตว์ทั้งหลายจึงเล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่ใช่วิญญาณท่องเที่ยวไปนะจึงบอกว่าขณะที่มีการมาการไปของวิญญาณเนี่ยที่เราหลุดไปคิดเรื่องใดก็ตามกระบวนการของมันก็คือวิญญาณดวงนี้ดับนะสัตตานาังก็ไม่มีอะไรเกาะนะแต่มันยังพอใจในวิญญาณอยู่เมื่อวิญญาณดวงใหม่ จะไปเกาะรูปนามสาตานังก็ยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อไปวิญญาณดวงนี้ก็ไปเกาะรูปนามต่อไปวิญญาณดวงนี้ดับสารตานังไม่มีอะไรเกาะวิญญาณดวงใหม่เกาะสารตานังก็คว้าดวงใหม่ต่อวิญญาณดวงนี้ก็มาเกาะนิดต่อเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตลอดเวลาแต่เนื่องจากสาตานังเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นสุญญตานะซึ่งจริงๆตัวสาตานังก็คือวิมุตต์แหละ แต่มันยังเรียกวิมุตต์ไม่ได้เพราะมันมีอวิชชาจึงถูกเรียกว่าสัตว์แต่เมื่อใดมันหมดอวิชชาแล้วมันจะถูกเรียกชื่อใหม่ว่าวิมุตติยานทัศนะผู้รู้ในวิมุตตนะ์ดังนั้นสัตว์กับวิมุตติยานทัศนะมันก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งเหมือนกันอันเดียวกันแต่เรียกกันนิยามเรียกชื่อมันอยู่คนละสถานะสถานะนึงมันมีอวิชชาอีกสถานะหนึ่งคือมันมีวิชาและหมดอวิชชา เป็นชื่อเรียกของสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าตรัสว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลเพึงรู้แจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นไม่อยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้าไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่สามารถบอกมิติได้ไม่สามารถบอกความกว้างยาวได้ไม่สามารถบอกว่ามันงามหรือไม่งามได้ ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมในนั้นไม่มีสมาธิทุกขั้นตอนในนั้นไม่มีปตมชานทุติยชานไม่มีอากาสานันจายณนะไม่มีทั้งหมดดังนั้นพระองค์อธิบายสิ่งสิ่งหนึ่งนี้ด้วยการอธิบายสิ่งที่เรารู้จักในระบบสมมุติทั้งหมดว่าระบบสมมติทั้งหมดที่เรารู้จักเนี่ยไม่มีในสภาวะนั้นและคุณสมบัติของมันก็คือเกิดไม่ปรากฏณอุ ป, ปาโทปัญ ญ, ญายติ ไม่ปรากฏมีการเกิดนวโยปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนัิตาสารยัตตังปัญญาญติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอืปรากฏนี่คือคุณสมบัติ3อย่างของมัน <c oughs> กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วมากเราจึงต้องมาทำสมาธิให้ตั้งมั่นแล้วถึงจะเห็นเริ่มจะเห็นการเกิดดับเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดการดับดังนั้นคนที่ จิตหลุดไปแล้วละได้เร็วดุกระพริบตาผู้เจ้าจึงเริ่มชมว่าอินทรีย์ภนาชั้นเลิศแต่จริงๆต้องเร็วกว่านั้นเพราะขณะที่โยมหลุดไปเนี่ยละกระพริบตาเดียวละมาได้เนี่ยคือพบเกิดแล้วใช่ไหมอ่าจิตมีที่เกิดใหม่แล้วและโยมวินาทีกระพริบตาเดียวละมาได้พบก็จะดับไปนะแต่ขณะที่พบเกิดเนี่ยละพบดับเนี่ยอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยมันผ่านอะไรมันผ่านดับผ่านเกิดเห็นนะ ผ่านกระบวนการตรงนี้จิตดวงนึงดับดวงใหม่เกิดดังนั้นถ้าจะหลุดพ้นยมต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้คือหลายผู้เจ้าบอกว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเกาะอยู่กับธาตุธาตุหนึงแล้วเช่นลหมหายใจคนคนนั้นเนี่ยต้องอาศัยวิเวคคือจิตที่ตั้งมั่นอาศัยวิลาคะคือจางคลายอาศัยนิโรธคือขณะที่จิตดวงนี้ดับน้อมไปเพื่อพวัสังคะคือการปล่อยวางก่อนที่จะไปยึดจิตดวงใหม่ ปัญญาจะต้องมีมากพอว่าไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่แล้วสมาธิต้องตั้งมั่นพอสติต้องไวพอน ะ, อะความเข้าใจทั้งหมดอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องต้องพร้อมตรงนี้ถึงจะปล่อยวางไม่อยากได้วิญญาณดวงใหมนะ่ถ้าตรงนี้ก็คือหลุดพด้นไะด้นี่พระเจ้าอธิบายวิธีการหลุดพ้นนะเราจะเห็นว่ามันจะสอดรับกันหมดเลยตั้งแต่การสอนการละความเพลิน จิตหลุดไปปับ๊บสร้างภพเพลินเป็นชาติยาวไป10นาทีเพิ่งตัดได้กลับมาที่ลมต่อไปหลุดไปปุ๊บเพลินไป5นาทีลดลงมาครึ่ง น, นึ่งลวกลับมาลมหายใจได้ฝึกต่อไปเรื่อยๆหลุดไปปับ๊บนะเหลือ 2- อสนาทีกลับมาได้นี่คือการละความเพลินที่สั้นลงสั้นลงสั้นลงเชืวว่อทั้งหลุดไปปุ๊บกระพริบตาเดียวกลับมาได้เอาตำแหน่งไปเลย In Z, อนินรีย์พรานชั้นเลิศใช่ไหมอ่า จากนั้นต้องเร็วกว่า น, นั้นอีกแค่จิตจะขยับปุ๊บนี่ต้องรู้ตัวแล้วนะอ่าและพอจิตขยับปับ๊บแล้วจิตดวงนี้ดับก่อนจิตดวงใหม่เกิดนี่ต้องวางให้ได้นะและตัณหาในวิญญาณคือไม่อยากได้วิญญาณ อ, อยากรู้ต่อเนี่ยไม่อยากรู้ต่อนะต้องเข้าใจว่าความรู้ตรงนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจิตนี่ไม่ใช่เราผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เรา อ่นนี้จะสร้างยังไงว่าให้เข้าใจว่าผู้รู้ไม่ใช่เราก็ต้องกลับไปสร้างเหตุปัจจัยเดิมคือเห็นจิตเกิดดับเรื่อยๆนะเห็นจิตเป็นอ น, นิจจังเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดอย่างเนี้ยนะแล้วก็อย่าเพลินนะหลุดไปตรงไหนแล้วก็พยายามละความเปลี่ยนให้ไวนะหลักการแค่นี้เองคนะรับรท่านอาจารย์ ขอเรียนถามเจวข้อปฏิบัติในขณะอยู่กับลมหายใจครับก่อนอื่นนั้นปฏิบัติอยู่ก็จะภาวนาไปด้วยว่าหายใจเข้าเขารู้หายใจออกเขารู้ในปัจจุบันนี้คําบริกรรมก็หายไปแต่ยังเหลือแว่วๆอยู่ว่าเข้ารู้เขารู้อยู่แต่บางครั้งก็เงียบหายไปหายใจได้ราบลื่นขึ้นแต่จิตกลับมากังวลว่าเอ๊ตอนนี้ติดอยู่ที่ไหนะ ก็เป็นอาการอย่างเงี้ยเป็นการกังวลว่าเอ๊ะขนาดนี้ติดอยู่ในกายหรือเปล่าเพราะว่าลมหายใจก็ราบเรียบไปครับอาจารครับอย่างเงี้ยอาการของจิตอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นโดยปกติหรือเปล่าครับท่านก็เป็นธรรมดามันก็จะมีการไข้ควรแต่ถ้าเรามองย้อนไปนิดนึงว่าเออการไข้ควรเนี่ยก็เป็นการนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาครับเนี่ยเราก็วางตรงนี้ไปอีกที แล้วมาเฝ้าดูเฉยๆให้เห็นผู้รู้ว่ารู้เฉยๆนะมันเป็นยังไงและขณะที่ไม่คิดไม่นึกอะไรเนี่ยมันรู้อยู่ที่ไหนนะเราก็จะเห็นทันทีนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตก็มารู้อยู่กับกายนิ่งๆนั่นแหละนะไม่ได้ไปไหนนะและ้วเราจะเห็นการทำงานว่าเมื่อหลุดจากกายเนี่ยแล้วมันไปสู่ธรรมธาตุใดบ้างนะก็จะเห็นการทำงานทั้งวงรอบของมันนะ ถ้าถ้าจิตไปไปอยู่ในธาตุทั้งสามแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจิตยังอยู่ที่กายครับใช่ใชนะ่ครับแล้วอีกประเด็นเนี่ถามพระอาจารย์ว่าในขณะที่ใครครวรทำอยู่ที่ตั้งองค์ธรรมขึ้นมาใคร่ครวญอยู่แต่ขณะจิตก็คิดไปถึงคําสอนคําบอกคํากล่าวของพระอาจารย์บ้างนึกถึงพระสูตรบ้างนะครับในช่องระหว่างการใครครวนกับจิตนึกไปคิดถึงพระอาจารย์คิดถึงคําสอนของพระอาจารย์แล้วเนี่ยตรงเนี้มันเกิด ปกติกายาที่ว่าลมหายใจที่ถูกบังคับเข้ามาให้รู้ว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เข้ามาแทรกอยู่ตรงนี้ด้วยอาการอย่างนี้ก็เลยสงสัยว่าเป็ น, เ ป, นเป็นอาการที่ผิดปกติหรือเปล่าว่าคือมันอยู่ที่ขั้นตอนของคนคนนั้นนะว่าคนคนนั้นเนี่ ย, นนยจะปล่อยวางอะไรละ่ะถ้าโยมมีเจตนาจะปล่อยวางความคิดอยู่ตลอดโยมจะเห็นเลยว่าขณะที่จิตเนี่ยหลุดไปคิดเรื่องคําสอนของใครก็ตามนั่นคือการคิดละหลุดไปคิดละ ยมก็จะไม่เห็นประโยชน์ตรงนั้นแล้วนะยมต้องรู้ว่าทุกคําพูดในใจมันคือความคิดขึ้นมาจะคิดอะไรก็ตามยมเห็นโทษมันพอไหมล่ะถ้าเห็นโทษยังไม่พอมันก็ยังคิดใช้การคิดให้ควรอยู่แต่แต่ถ้าเห็นโทษของความคิดพอว่าทุกความคิดคือการเกิดขึ้นแห่งพบยมก็จะวางทุกความคิดจะไม่มาสงสัยว่าเอ๊ะคิดกุศลดีหรือเปล่าเนาะคิดธรรมะมันก็ดีนะเนี่ยอะไรอย่างนี้เห็นเลยว่าทุกความคิด แต่ถ้ายังเห็นความสําคัญอยู่แสดงว่าเรายังไม่เห็นโทษของความคิดอย่างชัดเจนยังอาศัยความคิดอยู่ยังเกาะความคิดอันนี้มันก็อยู่ที่ขั้นตอนของคนคนนั้นละว่าคนคนนั้นเนี่ยกําลังปล่อยวางอะไรนะถ้าคนคนนั้นเดินมรรคมาถึงการปล่อยวางความคิดก็จะไม่เห็นความสําคัญของความคิดเลยเขาจะปล่อยวางความคิดทุกเรื่องทุกขณะนะอย่างนี้อเพียงถามพระอาจารย์อีกประเด็นนี้ครับในรอรายาิยมรรคมีองค์แปดในข้อ สัมมาอาชีวะเมื่อนำมาใครค่ครวญดูโดยโดยโดยปัญญาของตนเอนงก็รู้ว่าคําว่าสัมมามิจฉาอาชีวะนั้นเป็นส่วนของพระพิสุสงฆ์ซึ่งพุทธเจ้าทังกัดว่าคือการไม่ไม่โกงไม่ล่อลวงไม่ตลบตะแลงไม่ยอมมอบตนไม่นาทางที่ผิดและไม่เอาราบต่อราบพุทธเจ้าท่านว่าคือมิจฉาอาชีวะ ในส่วนของคารวะนั้นพุทธเจ้าท่านตัดไว้ในส่วนของอุบาสกซึ่งเป็นอาชีพที่มีควรกระทําซึ่งประกอบด้วยทั้งหมดห้าอาชีพด้วยกันก็คือไม่การค้าขายศาสตราหนึ่งการค้าขายเนื้อสัตว์หนึ่งการค้าขายสัตว์หนึ่งการค้าขายน้ําเมาหนึ่งการค้าขายยาพิษหนึ่งพระพุทองค์มีพุทธธรรดว่าอันอุโบสก ไม่ควรกระทํากราบพร ะ, ร พ, ระพุทธเจ้าว่าพระองค์พระองค์ท่านกล่าวเฉพาะอุบาสดอุบาสกอย่างเดียวไม่มีอุบาสิกาและก็ไม่มีผุ้ทุชนด้วยไม่ทราบในพุทธประสงค์ของพระองค์ท่านในลักษณะนี้เอาหมายถึงอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันผมก็ใขว้ครควรไปถึงความจริงในปัจจุบันว่าประเทศอินเดียในอดีตในปัจจุบันนั้นก็มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือผู้หญิงไม่ประกอบอาชีพ ผู้ชายเท่านั้นที่ประกอบอาชีพจึงมีสมจะนามว่าหนายห้างไม่มีคำว่านางห้างก็เลยมาคิดถึงพระสูตรนี้ว่าเป็นไปได้ไหมที่พระองค์ท่านพุทธธรรลัดว่าเฉพาะอุบาสกเท่านั้นคแม่เราตอนนี้ยังฟันธงไม่ได้หรอกเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยอย่างภิกษุณีบางทีผู้ชายเรียกภิกษุก็มีนะหรือนักบวช นักบวัวทั่วไปเนี่ยก็เรียกภิกษุก็มีบางทีใช้เป็นคํากลางๆเราไม่รู้ว่าคํากลางๆในคักุตตะการเนี่ยกว้างขนาดไหนอย่างคำคำว่าพรมพรมก็เป็นคํากลางๆคําว่าพราม์ก็เป็นคํากลางๆนะพวกพวกพราม์ทั้งหลายเขาก็บัญญัติคุณสมบัติของความเป็นพราหม์ผู้เจ้าก็บัญญัติคุณสมบัติความเป็นพราม์ของพวกเหมือนกันว่าพราม์จะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ซึ่งจะต่างกัน คุณสมบัติของพรามเหล่าอื่นที่เขาบัญญัติอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคำที่ก็เหมือนกับแย่งกันใช้อ่ะนะแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าอุบาสกตรงเนี้ยนะมันจะกินความกว้างไปถึงถึงขนาดไหนที่เหมือนกับใช้คำว่าภิกษุก็ใช้กับภิกษุณีด้วยก็ก็มีอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าพู้เจ้าพูดแค่นี้ก็คือโดยนัยพระองค์เนี่ยหมายถึงอุบาสิกาด้วยหรือเปล่านะ นั้นตรงนี้ก็เลยไม่อยากฟันธงอขอญาตกาสถามมีคาถามเลยครับเมื่อสมัยยังเล็กๆอยู่พอจำความได้นั้นเคยได้ยินคุณพ่อพูดว่าเวลามีใครมาปรึกษาข้อขัดข้องหรือว่ามีปัญหาอะไรคุณพ่อจะบอกปัญหาร้อยแปดผมก็เคยได้ยินมาอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมาปฏิบัติทมก็มารู้ว่าอ๋อปัญหาร้อยแปดนั้นมีจริง ก็ยังนึกว่าคุณพ่อรู้ได้ยังไงแต่ท่านอาจจะไม่ได้รู้ด้วยรู้แจ้งแทงตลอดท่านอาจจะรู้เพราะคําพูดก็อาจจะเป็นได้ที่จริงผมจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าปัญหาร้อยแปดของพุทธองค์นั้นในส่วนที่เราจะนํามามาพิจารณาว่าพิจารณาอย่างไรนะในการปฏิบัติในอาการภายในสิบแปดกับภายนอกสิบแปดนี้ซึ่งจะคล้ายๆล้ายกันว่า ภายนอกหรือภายในครับแล้วก็มารวมไปในอดีตรวมไปนอนาคตรวมในปัจจุบันก็จะเป็นตัณหาร้อยแปดตามผู้ต้องการตัดไว้ที่ผมที่เรียนถามอาจารย์ว่าปฏิบัติตรงอาการสิบแปดภายนอกกับภายในเนี้ยจะมองดูอย่างไรครับถึงจะมองได้ชัดเจนคุณท่านคือไม่ต้องไปยุ่งกับมันในเรื่องร้อยแปดไงจับตัวเดียวคือภวะตัณหานการมาตัณหาภาวะตัณหาวิพัฒนตัณหาเนี่ยยมจับภาะวะตัณหาตัวเดียวเนี่ยทุกอย่างลานได้หมดเลย วิปวตัญหาก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันซึ่งวิพวัตตัญหาเนี่ยไม่มีการลงรละเอียดของวิพวัตตัญหาเลยนะซึ่งถ้าลงรละเอียดปั๊บคำผู้เจ้าจะขัดแย้งกันทันทีเราจึงไม่สามารถเจอพระสูตรที่ลงรละเอียดเรื่องวิพวตัญหาได้เลยทั้งชีวิตของผู้เจ้าจะมีแต่หัวข้อว่าเป็นวิปวัตตัญหานะและหลักเดียวของผู้เจ้าก็คือพยายามล ะ, ะวิวตัญหาจะเป็นกรรมตัญหาก็ตามก็เป็นการสร้างภพเป็นการตรึกตรึก การคืออะไรความกำหนัดไปตามอำนาจความติดตึกก็คือการที่คนเนี่ยพอใจในความคิดดังนั้นโยอมละภาวะตันหาตัวเดียวคือการที่จิตเนี่ยไปสร้างความคิดขึ้นมาแล้วละให้ได้การ ม, มาตันหาก็จะถูกดับไปเพราะว่าตันหาจะถูกดับไปวิภาวะตันหาก็จะถูกดับไปโดยอตโนมัติของมันจับตัวเดียวตันหา108ล้มไปทีเดียวด้วยการละความเปลินจิตไปสร้างรูปนามพัววาง วางตลอดนะตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาตั้งไว้ซึ่งกายคคตาสตนะิแค่นั้นก็พอลนะขอบคุณครับพระอาจารย์ให้คําแนะนํามาถึงตัวนี้พอดีผมก็อลังจะเรียนถามอีกเล็กน้อยว่าคําว่ากรรมกับกรรมบคุคคลนะพระอาจารย์ก็เมตตาว่ากามนั้นคือความกำลัดด้วยอำนาจการติรึกแต่กรรมบคุคคลนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นด้วยความพอใจความชอบใจความไข่ ในตสหาที่ตั้งอยู่ก็คือในภาวะตถานะเหมือนกันในการรมหาเหมือนกั น, น, ก น, น, กนที่ผมก็มาใคร่ครวญดูว่าระหว่างกรรมกับกรรมบุคคลนะครับว่ากรรมนั้นเป็นความทุกข์อย่างเดียวเป็นความคับแคบอย่างเดียวเป็นไปนเพื่อความลำบากอย่างเดียวแต่กรรมคุณนั้นเป็นไปความเพื่อความสบายใจสุขใจเพลิดเพลินไปในชีวิตนั้นนั้นทั้งสองอย่างนี้จึงไม่ได้เหมือนกันคืออย่างนี้พระเจ้าแบ่งกรรมคุณอย่างนี้นะ กามคุณหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะใจไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์หช่องทางภายในและภายนอกนี้จัดเป็นกรรมคุณแต่ตัวกรรมเนี่ยคือความพอใจในความคิดอันเกิดจากกรรมคุณ5้ากรรมคุณ5เนี่ยกระทบกันแล้วเนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยแล้วเกิดการนึกคิดขึ้น แล้วมีการพอใจในการนึกคิดนี่เรียกว่ามีกามนะที่พูุ้ทธเจ้าสรุปว่ากามคือความกำหนัดกำหนัดคือพอใจไปตามอำนาจความตรีตรึนั่นแหละคือกามของคนเรานะอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่กามไม่ดังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสไม่ใช่กามนะอารมณ์อันวิจิตในโลกก็มีอยู่ตามระษาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะ เอาความพอใจนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นอย่างนี้เพราะนั้นตัวการมเนี่ยผู้เจ้าจะบัญญัติชัดเจนมาเกิดมาจากเบญจ ก, กรรมคุณ5ราคะที่มีเบญจ ก, กรรมคุณ5เป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วสังโยชนิดที่เป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีอย่างนี้ดังนั้นถ้าโยมวางความพอใจใน5อายณะของกายได้ ก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกได้เป็นพระอนาคามีบุคคลนะครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับผมเรียนถามตะกี้ต่อจากเรื่องที่ทางที่เข้าวิมุตตกันิพานเนี่ยนะครับจากที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าเข้าได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปใช่ไหมครับท่นนี้เนี่ยผมพิจารณาดูว่า จากที่ที่อ่านทั้งอ่านทั้งฟังเนี่ยนะแสดงว่าระดับความยากง่ายก็คือยิ่งสูงเช่นจตุจัาชา น, นี่น่าจะเข้าได้ง่ายกว่าป ต, ติยชานหรือว่าปฐมชานเข้าใจถูกไหมครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่นะเกี่ยวครับใช่เอ่อกำลังของสมาธินะ่ะที่ละเอียดปาณิชขึ้นไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าจะเข้าได้เร็วหรือเข้าได้ช้า ดังนั้นตัวเข้าได้เร็วหรือเข้าได้ช้าเนี่ยวัดกันที่อินทรี่ห้าเท่านั้นเลยอย่างเดียวแม้แต่ผสมชานก็ไม่ไม่ไม่ช้าเลยครับเพราะว่าไม่ช้าเพราะมีวิตกวิจารณก็คือมีความคิดผมยังว่าน่าจะเข้าได้ช้ากว่ากว่าชันขั้นไม่เกี่ยวบางคนแค่วิตกวิจารณ์แล้วหลุดพ้นได้ก็มีบางคนฟังธรรมปุ๊บหลุดพ้นได้ก็มีบางคนเข้าชานหนึ่งสองสไม่ได้แต่มีสมาธิอันเป็นอริยหลุดพ้นได้ก็มีเข้าชานไม่ได้ก็หลุดพ้นก็ในทุกขาปฏิปทาขิปปาพินญาไงปฏิบัติเป็นทุกขสําเร็จเร็ว นะปฏิบัติเป็นทุกข์คืออะไรเข้าฌาน1 2ึ่สสไม่ได้แต่คนคนนั้นมีอินทรีย์าแก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหลุดพ้นได้เร็วนะคนบางคนเข้าฌาน1นึ4ได้แต่อินทรีย์าอ่อนก็หลุดพ้นชา้าถ้าอินทรีย์าแก่กล้าก็หลุดพ้นเร็วดังนั้นทั้งทุกขาาขาปฏิปทาและสุขขาปฏิปทาหลุดพ้นเร็วช้าได้ทั้งคู่วัดกันที่อินทรีย์าอย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้วัดที่ตัวสมาธิเลยอัทธาวิิยสติสมาธิใช่ผู้ใหม่มีอะไรสักถามใกลมาใหม่ไม่เข้าใจอะไรมีไมมเชิญได้เนะ อัลโหล ข, ขออนุญาตถามอาจารย์ถ้าที่มีอุปมาเกี่ยวกับทุกโทษภัยของทางสารวัตร อ, อ, อุปมาว่าการเวียนไหวของของสัตว์ที่ถูกฆ่าด้วยการตัดคอแล้วก็เลือดเลือดที่ไหลออกมานั่งมากมาย อุปมามันกับมหาสมุทรนะฮะอันนี้ในการอุปมาอุปมาอย่างนี้เออเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไปได้แค่ไหนหรือหรือเราจะทุก ท, ทุกโทษภัยของสังตราวัฒนมีมีมากมายขนาดนี้เฉยเลยแล้วขอคำสิบายนิดหนึ่งครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะโยมดวงดาวแต่และดวงมันเกิดมากี่ล้านปี เราโยมคิดว่ามนุษย์มันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ในสังสารรัตนานหรือยังแค่โลกใบนี้ก็โอ้โหกี่ล้านปีแล้วระบบจักรวาลเนี่ยใช่ไหมแล้วมนุษย์มันก็เกิดแก่เจ็บตายมากี่แสนกี่ล้านรอบแล้วมันนับไม่ทืวนหรอกนะดังนั้นถ้ามีใครนั่งนับน้ําตาตวงเอาไว้จริงๆเนี่ยคงไม่ต่างกับที่พระเจ้าบอกหรอกว่าแค่น้ําตาก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ ในสังสารที่เกิดตายคุเจ้าบอกกองกระดูกถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยน่ะกองใหญ่กว่าภูเขาอีกน่เยอะมากมก็ตรัสไว้จริงๆอย่างนั้นน่ะเพราะสังสารเนี่ยยาวไกลมีภิกษุที่จะนั่งดูสังสารย้อนไปขนาดดูได้วันละแสนกับนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีจนตายสังสารยังมีให้ดูเลยภิกษุดูอย่างเนี้ยไปสี่รูปตายไปสี่องค์ลว สังสวัสด์ก็ยังมีให้ดูไม่จบนะนี่ขนาดกับหนึ่งก็โูนับไม่ทั่วแล้วนะนี่ดูได้วันละแสนกับนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีนะ ม, <laughs> มันยาวนานมาก ก็ต้องได้ยินได้ฟังคำของพระศาสดานะไม่ใช่ว่าจะต้องพบสัมมาสัมพุทธะได้ยินฟังได้ยินได้ฟังคำของศาสดาจากศาสดาโดยตรงก็ได้จากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดก็ได้นะเหมือนกัน <c oughs> การสร้างอินทรีย์ห้าไม่เกิดเลยก็ไม่ไม่เชิงเพราะว่าคนบางคนเนี่ยไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่เขาก็สร้างคุณงามความดีได้นะก็เหมือนกับพวกฤาษีโยคีแต่ก่อนที่เขายังไม่เจอพระพุทธเจ้าแต่เขาก็สร้างความดีได้ทำสมาธิได้เพียงแต่ยังหลุดพ้นไม่ได้แค่นั้นเองนะถ้าจะหลุดพ้นเนี่ยต้องเจอต้องได้ฟังคำพระพุทธเจ้าแม้เพียงหนึ่งบทก่อนแน่นอนอันนั้น แต่สร้างความดีได้ไม่สร้างได้เขาทำสมาธีได้เป็นสิมโยงกันเนี่อนิจเจทุกสัญญาถ้าเห็นไม่เที่ยงมากๆเนีจะเห็นทุกขัง ยมเห็นก้อนน้าแข็งก้อนหนึ่งละลายอยู่ตลอดเวลายมประเมินได้ไหมล่ะ ว, ว่าก้อนน้ำแข็งก้อนนี้ยังไงต้องหมดไปยังไงต้องดับยมก็ประเมินได้จริงมากเมื่อเราเห็นแล้วว่าก้อนน้ำแข็งนี้ไม่เที่ยงแล้วมันดับไปยมก็จะเรียกก้อนน้ำแข็งว่ามันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตนจริงนี่คืออาจา ร, จ ร, จรครับ หนังสืออนาปานะฮะบอกว่าจะเห็นความไม่เที่ยงแปรปนนะฮะแปรเปลี่ยนนี่นะฮะเฉพาะประโยชนเนี่ยเพื่อภาษาคตตัสนส์บอกว่าจะเห็นจิตมันเกิดดับใช่ไหมฮะความหมายแท้ๆมันบอกก่อนเลยใช่ไหมทั้งรูปนามเกิดดับและจิตเกิดดับใครจะมองมุมไหนก็ได้เพราะมันอาศัยกันเกิดขึ้นทั้งคู่จะบอกจิตเกิดดับอย่างเดียวก็ไม่ได้ขนาดจิตดับรูปนามก็ดับด้บดวยไงครับอ่าประเด็ น, นก่อนจะก่อนจะจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะ เกิดเกิดดับนี่ไหนะท่านบอกโลกนี้นะพะว่าคําว่าเห็นความไม่เที่ยงแ ป, ปลปวนเนี่ยยังต้องเห็นกิดหรือรูปนามเกิดดับใช่ไหมฮะไอตัวดําเนี่ยเป็นตัวเกิดใช่ไหมฮะเป็นตัวเือนว่าเอจิตจะต้องเกิดดับน ะ, ะปัญ ญ, ญาณต้องเกิดดับใช่ไหมเป็นตัวเตือนก่อนใช่ไหมฮะว่าเห็นความไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนเลยฮะเวลาเราเห็นความไม่เที่ยงอะไรคือสิ่งที่เราเห็นล่ะอ๋อใช่ไหมก็เราตั้งจิตอยู่กับอะไรล่ะเราตั้งจิตอยู่กับลม ใช่ไหขณะนั้นมีธรรมชาติอะไรล่ะมีลมกับผู้รู้ลมแล้วเราจะเห็นความไม่เที่ยงของอะไรก็เห็นความไม่เที่ยงของลมกับผู้รู้ลมนี่แหละจะไปเห็นข้างนอกอื่นที่ไหนต้องมาเห็นตัวนี้ที่เรารู้อยู่ตรงนี้พอดีผมเอาพอดีผมเอาประโยคนี้ไปไปไปโยงกับคำว่า จิตตั้งนั่นเห็นเกิดดับเข้าวิมุตต์เนี่ยมันมีสามประโยคใช่ไหมผมก็ เ, เอาคําว่าเห็นความไม่เที่ยงแปลปวนเนี่ยค่าก็ว่าเป็นตัวเกิดจะต้องเกิดอย่างนี้ว่าจิตตั้งมันแล้วเห็นเกิดดับเข้าวิมุตต์เนี่ยไอ้คาว่าเห็นความไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนเนี่ยเป็นตัวเกิดคือพัน้นคือพระอัาก็ได้เกิดอเอาไนวะ้ป่ะเอาละทําอย่างนี้นะจะเห็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นรักษณะอย่างงั้นะป่ะ ไปไปเลยคุณสำนวนป่อาจารย์ฮะไม่ได้สํานวนอะไรมันเป็นความจริงว่าจิตมันจะไม่เที่ยงนะมันจะจางคลายมันจะดับไปมันเป็นความจริงที่คนคนั้นต้องเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นไงครัาอ่างั้นงั้นผมก็คือว่าจะเข้าใจถูกหรือเปลผมผมการเรียนท่านไม่ถูกนะอความจริงก็คือมันต้องแปลเปลี่ยนนะก็เลยใช้คําว่าไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนชความจริงก็คือเกิดดับใช่ไหมใช่ขอบคุณครับอ คือเกิดเนี่ยอันหนึ่งดับเนี่ยอันหนึ่งเมื่อเกิดแล้วจะตามมาด้วยไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วจะตามมาด้วยไม่เที่ยงคือเปลี่ยนเรื่อยๆเมื่อเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วจะตามมาด้วยการดับครับแต่ว่ามันอันเดียวกันเป๊ะก็ไม่ใช่นะเกิดเสื่อมเสืมเรื่อยๆดับและมันมีคําของมันทั้งนั้นเกิดคืออุปาโทปัญญายติหรือสมุทัยไม่เที่ยงคืออนิจจงนะ เสื่มเรื่อยๆเนี่ยคือทิตรตระยัตตังปัญญาจติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเปลี่ยนแปลงตลอดและความดับเนี่ยเรียกว่านิโรธหรือทุกขังนะและจะตามมาด้ว ย, ว ย, วยอนัตตาก็คือตัวตนมันเนี่ยมันมีชั่วคราวเรียกอนัตตาและจะตามมาด้วยเนตังมมะเนสโอมัสมีนัมิโสตตาซึ่งพระเจ้าตัดเรียงกันไว้เลยนะเรียงตั้งแต่แรกเนี่ยเปิดไล่กันมายาวทั้งหมดอย่างนี้ ก็ก็พระอาจารย์ได้ขยายพุทธวชนะแล้วเนี่ยก็ผมก็สรุปอย่างนี้ว่าไอ้คาว่าจิตตั้งมั่นเห็นเกิดดับเป็นพุทธเีตัวนี้นะฮะมันขยายออกนะก็ตัวจิตตั้งมั่นเองก็ไม่เที่ยงไงใช่ใช่มีการเกิดแล้วก็ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาขอบคุณเข้าใาจารย์ครับ ใช่บ้างไม่ใช่บ้างใช่ไปเทียบอีกทีใช่ออใช่บางอันก็ตรงก็คือคนแต่งอ่ะคนแต่งใหม่บางทีคือก็หยิบคำพระเจ้ามามาแล้วก็มาแต่งใหม่หยิบมาโปในนั้นแล้วก็มาเติมขึ้นอีกทีมันมีแต่งใหม่หลายรูปแบบ่านั่นก็ต้องเอาไปเทียบกันใหม่ทั้งหมดจึงเป็นบางอันก็ใช่บางอันก็ไม่ใช่ อ uh huh. ืนี้ีผู้เข้าใจว่าการบรรลุธรรมในชั้นเาเนี่ยดีกว่ารุสดาบันาที่อยาเกเป็นย uh huh. เข้าใจว่าการที่บรรลุชั้นาแค่บอกว่าบรรลุธรรมซึ่งอาจจะไปเป็นบสวดาบันได้เพราะว่ามีคนเข้าใจว่าฟังแล้วอาจจะเข้าใจว่า ถ้าบรรลุธรรมในชั้นเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสวดาบันเนี่ย อ, อาจจะเป็นสวดาบันเจ็ชาติสชาติชาติหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่พอบรรลุธรรมในชั้นเทวดาเนี่ยที่เป็นบรรลุธรรมชั้นเทวดาเนี่ยคนอาจจะเข้าใจว่าบรรลุอาหารหันต์ไปเลยซึ่งยมพิจารณาว่าที่จริงแล้วอาจจะเป็นบรรลุแค่สวดาบันเจชาติได้หมดกได้ได้หมดท่านก็ไม่ได้บระบุไว้แค่ว่าบรรลุธรรมใช่ใช่ เพราะอีกคําถามพระอาจารย์ที่เคยพระอาจารย์อธิบายเรื่องที่มีพรามมาถามพ ร, าพระพุทธเจ้าว่าอีกสิน5ประการ5ประการนี้ย่อมสวยอารมณ์ต่างกันโคจรต่างกันไม่สวยอารมณ์ทิ่ที่โคจร น, นั้นกันและกันแล้วก็เพราะอะไรเป็นตัวเหนี่ยวลังไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นใจใช่ไหมฮะมีใจเป็นเป็นตัวแล้วก็ไล่ไปถึงสติจนถึงไม่มุดนะครับ แค่นี้อยากให้อาจารย์ช่วยแม่ตาอธิบายตรงนี้เพิ่มสตีไม่ไม่ตรงนี้มันมันมันสัมนวลการแปลมันคนละอย่างกันนะมันเป็นที่แล่นไปสู่ตรงที่น่าสนใจคือจุดเดียวคือสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติสนใจแค่ตรง น, นั้นพอให้เรารู้ความสำคัญของสติน ะ, ะนั้นสติเนี่ยประสูตรเนี่ยที่ควรจะได้รับความสนใจคือตรงที่บอกว่าสติเป็นที่ล่นไปสู่วิมุติ น, นั่นคือการที่เราฝึกสติเรื่อยๆเนี่ยนั่นคือเรากําลังได้วิมุตแล้วและสติเนี่ยได้วิมุติยังไงคือขณะที่มีการร ะ, ะลึกระลึกได้กลับมาเนี่ยมันจะมีการดับการเกิดของจิตนั่นคือมันผ่านวิมุตตลอดเวลานั่นแหละมันเล่นไปสู่วิมุตอย่างนั้นนี่ให้ได้ประโยชน์ตรงนี้อาถ้าไม่มีใครถามอะไรก็เดี๋ยวก่อนเลิกทาสมาธิสักห้านาทีเนาะอะ ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติรัตตาคตให้ฝึกทำวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้ลมหายใจไหลเข้าไหลออกถึงเวลากลางวันก็รู้ลมหายใจ ถึงเวลาเย็นก็ไปยามารู้ลมหายใจพระองค์เปรบเหมือนพ่อค้าแม่ค้าตอนเช้าก็ให้รีบเตรียมของไปขายในเวลาเช้ากลางวันก็รีบขายของตอนเย็นก็รีบเก็บของกลับมา ต้องมีความขยันทั้งเวลาเช้ากลางวันและเย็นตั้งจิตไว้ในกายกายยกะตาสติพระตาตากตเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตก่อนออกจากสมาธิก็ให้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็ค่อยๆอ อ, ออกจากสมาธิมา ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาฟังธทำตามการมาสังสมสุตตะมากระทําซึ่งการปฏิบุตราววินิตาปริสาโนโกาจิตวินิตาคือการตกกันในคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าการสมหัวกันในคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช้คําของสาวกหรือคําที่แต่งขึ้นใหม่ก็ขอให้ทุกคนเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระตถาคตเป็นผู้ที่ฉลาดรอบรู้ในธรรมของตถาคต เป็นผู้ที่รู้แจ้งในคำของกตถาคตที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการอันใกล้โดยเจ้าหน้าการทุกท่านทุกคนเทิน